การบูชาบุคคลที่ควรบูชาถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิตและการบูชานั้นเนี่ยนอกจากจะบูชาด้วยอาิตรที่เรียกว่าอาวุธบูชาแล้วการบูชาด้วยการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่พระธองค์ทรงสรรเสริญ การบูชาด้วยอาหมิตรนั้นอาจจะได้แก่การบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนหรือว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะรวมไปถึงเสื้อหรือว่าสาระคล้อแต่ว่าซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือการปฏิบัติด้วยการนำเอาคุณความดีของผู้ที่ สมควนบูชาหรือที่เรียกว่าปูชนียบุคคลนั้นนำมาประกอบปฏิบัติด้วยนี้เนี่ยอาตมาติงขออนุโมทนาที่ทางหมาชัยรัชภัฏบุรุรีลำได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นปฏิบัติบูบบชาแด่ในหลวงของเราซึ่งถือว่าเป็น ชนาญบุคคลหรือบุคคลที่คนบูชาอย่างยิ่งและการที่เราได้จัดกิจกรรมในวันนี้หรือว่ากิจกรรมทำนองนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอันสมสุดอย่างหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราได้ทําวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติหรือปฏิบัติ บ, บูชานั่นก็คือการพยายามที่จะนาเอา คุณความดีหรือสารัถแห่งความดีของในหลวงของเราเพื่อมาเป็นพื้นฐานไม่ใช่แค่ในการดุลยพินิตแต่รวมถึงเป็นพื้นฐานสาห ร, รับกิจกรรมสาธารณะนั่นก็คือการจัด ก, การการศึกษาในระดับมาวิทยาลัย ปฏิบัติบูชานั้นเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ในระดับสถาบันในระดับสถาบันก็คือการนำเอาแนวความคิดปฏิทานหรืออุดมคติของบุคคลที่เป็นบูชินะบุคคลเช่นในกรณีนี้ก็คือในรลวงของเราน้อมนำปฏิธานน้อมนาอุดมคติ หรือว่าเจิยาวัดอันงดงามของพระองค์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของหมาหาเทลัยซึ่งการทาเช่นนี้จะทำให้ความดีนั้นมีความยั่งยืนยาวนานเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีอายุจำกัดในเกิดร้อยปีก็ตายแต่ว่าสถาบันนั้นเนี่ย สามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นเวลาหลายร้อยปีได้ซ้าเพราะฉะนั้นเมื่อนำเอาความดีของผู้ชนิดบุคคลเนี่ยเข้ามาประสานเป็นส่วนของสถาบันอย่างที่ภาษาฝลังเรืยกว่า institutionalize d ก็จะช่วยทำให้ความดีนั้นสามารถที่จะยั่งอยู่แล้วก็ดำรงคงอยู่ต่อไป เหมือนกับที่พระบรมศาสดาได้นำเอาธรรมะของพระองค์นั้นเนี่ยเข้ามาประสานเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์นะคณะสงฆ์นี่ก็เป็นสถาบันอย่างหนึง่งซึ่งบันนี้ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านะครพระพุทธองค์จะไปนิพพานไปกว่า 2,500 ปีแต่ว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเนี่ยก็ยังสามารถยั่งยืนยาวนานเพราะว่า พระองค์ได้ฝากพระธรรมคาสอนเอาไว้กับสถาบันก็คือคณะสงฆ์หมหาวิทยาลยราชพัฏก็เป็นสถาบันหนึ่งซึ่งสามารถจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความดีปฏิธานและอุดมสติของในหวงของเราเนี่ยสามารถจะยัย่งยืนไปได้แล้วก็ปฏิธานอุดมสติอย่างหนึ่งของในหลวงก็คือการพัฒนาท้องถิ่น การที่เรามาทำความเข้าใจเกี่ยกับเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริด้วยความมุ่งหมายที่จะทำให้แนวทางการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันดีเพราะมาเป็นทิศเข็มทิศในการจัดการศึกษาก็เป็นเรื่องที่น่านโมโนฉนายอย่างยิ่งตอนนี้อาณาจักรอยากจะเริ่มต้นถึงเรื่องของ การพัฒนาท้องถิ่นโดยจะเชื่อมโยงไปถึงกระแสะความเปลี่ยนแปลงในยุค ป, ปัจจุบันทั้งนี้ก็จะนำเอาแนวพระราชดำนิหรือว่าพระจริยวัตรของพระองค์ของในหลวงเนี่ยได้มาเป็นเป็นกรอบในการพิจารณาด้วยการพัฒนาท้องถิ่นนะในปัจจุบันนี้เนี่ย เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอาจแยกแยะหรือตัดขาดจากกระแสะในระดับที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตแล้วก็กระแสะในระดับชาติปัจจุบันนี้ถ้าเราจะจัดความสัมพันธ์ของโลกเนี่ยมันก็จะมีสามชั้นก็คือว่าหนึ่ง ระดับโลกสองระดับประเทศและสามคือระดับท้องถิ่นสถาบันราชพัฒนเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นได้วางจุดยืนของตัวเอาไว้ได้อย่างเหมาะสม ก, ก็คือวางตาแหน่งของตัวเองเอาไว้ตรงที่เป็นสถาบันการศึกษาสาบันอุดมศึกษาในระดับท้องถิ่นซึ่งมีความสำคัญมากนะ และเป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจเพราะว่าในการพัฒนาประเทศนั้นเนี่ยบทบาทของท้องถิ่นมีความสำคัญมากบางครั้งบางท่านก็ไม่เข้าใจไปคิดว่าสถาบันการศึกษาที่ดีนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการสถาบันการศึกษาในระดับประเทศมีบทบาทในระดับประเทศอันนั้นก็มีความสำคัญอยู่นะฮะ แต่ว่าสถาบันการศึกษาระดับประเทศนั้นเนี่ยไม่อาจจะตัดขาดจากการศึกษาหรือสถาบักากานการศึกษาในระดับท้องถิ่นได้จุดแข็งของสถาบันมหาวิทยาลัยรชภัทก็คือการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับท้องถิ่นและตรงนี้เองที่จะมีผลมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาท้องถิ่นได้ เวลาพูดถึงการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยตมาหมายถึงอะไรหมายถึง4ระดับนะประการแรกก็คือการพยายามที่จะช่วยให้ชุมชนเนี่ยนะมีภูมิคุ้มกันนะที่จะสามารถปกป้องตนเองจากอิทธิพลในทางในทางลบที่มาจากระดับโลก แล้วก็มาจากกระแสระดับชาตินี่ประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าเวลานี้เนี่ยกระแสระดับโลกที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์หรือว่ากระแสที่มันเป็นระดับชาติเนี่ยส่วนที่เป็นอิทธิพลในทางลบ ก, ก็มีมากแล้วก็มักจะเข้ามากระทํากับท้องถิ่นอย่างรุนแรงการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยอย่างพื้นฐานที่สุดเลยก็คือว่าการพยายามที่จะทาให้ชุมชนเข้มแข็ ง, เ, ง, เ, ง, เ, ง, เ, งเพื่อที่ปกป้องตนเอง จ า, จากกระแสนในทางลบไม่ว่าจะมาจากระดับโลกหรือว่าเป็นกระแสนในระดับชาตินี่ประเด็นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะขยายความต่อไปประเด็นที่สองก็คือว่าจะช่วยทำให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้รับอานิสงจากกระแส โลกาพิวัติและความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติได้คือพิทพลจากโลกาพิวัติเนี่ยรู้จักกระแสระดับชาติเนี่ยมันไม่ใช่มีแง่ลบอย่างเดียวมันก็มีแง่มูกที่เราเรียกวเป็นอานิสงส์อานิสงส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะตกแก่แก่องค์กรสถาบันหรือผู้คนที่อยู่ในในส่วนยอดคือระดับโลก ในระดับชาติเท่านั้นหรือส่วนกลางเท่านั้นแต่ว่าน่าจะทําให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้รับอนิสงส์อย่างนั้นด้วยนี่เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่3มคือว่าทําให้ชุมชนทําให้ท้องถินน่นมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นฐานให้แก่การพัฒนาในระดับประเทศนะและประเด็นที่สี่ ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มองไปข้างหน้าก็คือว่าการทาให้อิทธิพลหรือกระแสะระดับท้องถิ่นเนี่ยมันกลายเป็นกระแสะระดับชาติหรือกระแสะระดับโลกได้หมายความว่าทิศทางของการทิศทางของอิทธิพลหรือการพัฒนามันจะไม่ใช่มาจากมาจากจากภายนอกหรือมาจากศวนยกลางในระดับประเทศเท่านั้นโดยที่ ท้องถิ่นเป็นเพียงแค่ผู้รับหรือเป็นเป็นปลายปลายกระแสแต่ว่าท้องถิ่นยังสามารถที่เป็นต้นกระแสหรือเป็นต้นฐานแห่งความเปลี่ยนแปลงต้นฐานแห่งการพัฒนาที่จะไปมีผลกระทบต่อดับชาติและก็ระดับโลกได้เราจะาคิดว่าการพัฒนาท้องถิ่นนี่น่าจะมีความหมายสี่ระดับและตรงนี้เองที่เป็นบทบาทที่เราจะเรียนได้ว่า การพัฒนาที่ในหลวงเนี่ยได้ได้ิดเริ่มเอาไวนะ้ตลอดเวลาเกือบ60ปีที่ครยวครองราชย์จนกระทั่งเกิดมีโครงการพัฒนาต่างๆกว่า 3,000 โครงการเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการทำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นใน4ระดับนีนะ้นี่เรามาจะาขยายความนะ ให้เห็นละเอียดหน่อยว่าสี่ระดับเนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็มันมันมีความสําคัญอย่างไ ร, รการแรกคืการทําให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่ปกป้องตนเองได้จากจา ก, จากกระแสที่เราจมาจะเรียกว่าภายัยคุกคามกัได้ภยัยคุกคามของโลกาภิวัตน์หรือว่าอิทธิพลในทางลบจากส่วนกลางรือจาก หรืออิทธิพลในระดับประเทศยุกแตงง่ง่ายๆนะเมื่อเร็วๆนี้เราคงได้ข่าวว่าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยได้รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะคัดค้านการเข้ามาของห้างสรรพสินค้าชื่อดังจากต่างประเทศเช่น t e s โ o Lotus เพราะว่าเวลานี้เนี่ยพอ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆขนาดนี้เข้ามาที่เราเรียกว่า chain store เนี่ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเข้ามากระทบมันเข้ามาทําลายเศรษฐกิจของท้องถิ่นมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เราเรียกว่าโชว์ห่วยซึ่งมีผลกระทบต่ออาชีพและอาชีพซึ่งยึดโยงสัมพันธ์กับผู้ประกอบการรายย่อยอันนี้คือที่คนของโลกาภิวัตน์ที่คนของโลกาภิวัตน์ซึ่งเปิด เปิดเสรีทางการค้าเปิดเสที่ทางการเงินซึ่งทําให้กิจการขนาดใหญ่กิจการระดับโลกเนี่ยมันสามารถเทียบไหลบาเข้ามาจนกระทั่งกระแทกเศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่นให้พังพินาศไปได้และเงินหรือรายได้ที่เกิดขึ้นก็ถูกดูดกลับไปยังบริษัทแม่ที่ต่างประเทศนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นชัดว่า เวลานี้เนี่ยท้องถิ่นจะต้องมีความเข้มแข็งเพราะไม่งานแล้วเนี่ยไอ้ภัยคุกคามจากโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเข้ามากระทบกับท้องถิน่นโดยที่ท้องถิน่นนั้นเนี่ยก็จะทําไม่ได้มีกีรุณ ค, คุ้มกันเองพอก็จะอยู่ไม่ได้มีตัวอย่างเยอะเช่นการที่บรรษัทท่ามชาติหรือว่าอํานาจทุนเนี่ยเข้ามาเข้ามาครอบงําเข้ามาใช้ประโยชน์ หรือเขามาตักตวงทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติเช่นแร่ธาตุนะหรือว่าป่าหรือว่าที่ดินนะหรือว่าเอาทรัพยากรท้องถิ่นเช่นน้ํานะน้ําสาทรนาเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์การเกิดกิจกรรมต่างๆการเกิดโรงงานสาหกรรมต่างๆมากมายที่เป็นระดับชาติเช่นมีเหมือนเมืองแร่อุตสาหกรรมโพแทสที่กำลังเกิดขึ้นที่จอร์แดน ซึ่งจะมีปกระทบต่อชาวบ้านที่นั่นมากอันนี้ก็คือภยัยคุกคามจากจากระดับโลกแล้วกระดับชาติซึ่งมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาคุกคามหรือเข้ามาฉกฉวยประโยชน์ของทรัพยาการท้องถิง่นรวมทั้งการเปลี่ยนแม่น้ําการเปลี่ยนทรัพยาการสาธารณะนี้ให้เป็นประโยชน์เช่นเราคงได้ข่าวว่าจะมีการสร้างเขื่อนที่นนทที่นี่ เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้าให้แก่ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมจากต่างประเทศรวมทั้งการพยายามที่กระจายอุตสาหกรรมต่างๆเข้าไปจากส่วนกลางซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยทำไมก็ถึงกระจายลงไปสู่ท้องถิน่นก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างภาระคือมลภาวะให้แก่ท้องถิ่นได้โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะถ้าไปทําที่กททรุงเทพไปทําที่ในเมืองเนี่ยมันซึ้นเปืองค่าใช้จ่ายมาก ในการบําบัดน้ําเสียหรือว่าในการปล่อยสารพิษทางอากาศแต่พ อ, พอกระจายลงมาจากท้องถิ่นแล้วเนี่ยล<ม>งเหงาสารต่างๆปล่อยน้ําเสียลงไปอย่างเช่นที่น้ําพองจากโรงงานทํากระดาษการกระจายอุตสาหกรรมอย่างนี้ที่ททเรียกทำว่าเป็นการกระจายมลภาวะสู่ท้องถิ่นและสิ่งเหล่านี้เนี่ยชุมชนท้องถิน่นจะได้รับผลกระทบมากจากกระแสาการ แตกระแสความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและระดับชาติซึ่งทําไม่สามารถที่ปกป้องตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะพังทิ้นา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นใ น, นที่เหนือคือว่าการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยต้องต้องให้ความสัำคัญกับเรื่องของการปกป้องชุมชนท้องถิ่นให้ให้ให้พ้นหรือปลอดจากหรือไม่ไม่ถูกบั่นทอนด้วยภัยคุกคามจากระดับโลกจากกระแสระดับโลกและระดับชาติ ที่ประการที่สองคือว่าภาษาโลกรทร่ว่าหรือราแาที่ความเปลี่ยนแปลงจากระดับโลกหรือระดับชาติมันไม่ได้มีแต่แง่โลบอย่างเดียวมันก็มีแง่บวกนะแต่ว่าเรามักจะพบว่าท้องถิ่นเนี่ยจะได้รับผลพวงจากความเปลี่ยนแปลงนิดน้อยยกตัวอย่างเช่ น, นในชนบทเนี่ยนะเป็นเวลาชาตินานทีเดียวนะที่ที่เรียกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากจาก การพัฒนาเท่าที่ควรแในขณะที่ในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมีการพัฒนามากต่างๆมากมายทรัพยาการต่างๆทุ่งเทลงไปแต่ชนบทเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควรน้ําสะอาดหรือว่าไฟฟ้าอันนี้หม่ถึงสิบปีที่แล้วหรือว่าแม้แต่โทรศัพท์ก็แทบจะไม่ได้รับประโยชน์จนกระทั่งต้องมีโทรศัพท์มือถือขึ้นมา นะถึงจะถึงจะมีการแพร่กระจายของเรื่องการโทรคมนาคมเราจะพบว่าท้องถิ่นเนี่ยได้รับอ น, นิสงจากการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและกระดับโลก น, น้อยกว่าส่วนกลางภาษีเอย่ยงบประมาณเอ่ยนะมีผลส่งมาถึงท้องถิ่นน้อยอันนี้ก็เลยพบว่าทำไมชาวบ้านเนี่ยถึงถึงเลือกสอสที่สามารถที่จะหาเงินเนี่ย เข้ามาท้องถิน่นหาโครงการพัฒนานี่เข้ามาท้องถิน่นสสคนไหนเนี่ยที่สามารถทําเอาโครงการที่เข้ามาในหมู่บ้านได้มาในท้องถิ่นได้ก็จะได้รับเลือกแม้ว่าสสนั้นอาจจะมีประวัติไม่ดีนะที่เราเรียกว่าเป็นนักการเมืองน้ำเนา่าแต่นักการเมือง น, น้ำเน่าเหล่านี้ก็ได้รับการเลือกตั้งมาทุกปีทุกปีเพราะว่าสามารถที่จะดึงเงินในส่วนกลางเข้ามาในท้องถิ่นได้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ระบบอุบปั้มขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดนักการเมืองที่ไม่สะอาดขึ้นมา เต็มสภาอยู่บ่อยๆ อ, อันนี้เป็นเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาไปได้รับอ น, นิสง์จากการพัฒนาเพราะฉะนั้นท่ามีนักการเมืองอะไรที่เอาโครงการเหล่า น, นี้เข้าไปหรือแม้กระทั่งให้มีนโยบายประชานิยมเข้าไปเอาเงินเข้าไปนะเข้าไปในท้องถิ่นก็จะได้รับเรื่องขึ้นมาอย่างทุ่มทนแต่มันมีทางออกทางเดียวเท่านั้นหรือในการที่จะทําให้ท้องถิ่นเนี่ยได้รับอ น, นิสง์จากการพัฒนามนอนาคตมันทำได้หลายอย่าง แต่ประเด็นคือว่าการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยต้องทําให้อา น, นี้ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยเขามีความสามารถเขามีความสามารถในการที่จะได้รับอ น, นิสงจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกแล้วก็ในระดับชาติได้เป็นความสามารถของเขาเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งนักการเมืองจากส่วนกลายโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งนักการเมืองที่ประวัติไม่สะอาด แต่ตรงนี้ท้องถิ่นไม่มีความสามารถท้องถิ่นไม่สามารถที่จะคือท้องถิ่นไม่มีไม่มีมือที่ยาวพอที่จะไปเอาผลประโยชน์จากส่วนกลางได้ก็เลยต้องทุ่มนักการเมืองที่เป็นผู้มีทิพย์พลเพราะพวกนี้เนี่ยเขสามารถที่จะดึงเงินดึงงบประมาณเข้าสู่จากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นได้อาจว่าคิดว่าคิดว่าตรงนี้การพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความหมายตรงนี้ด้วยได้รับอนิสงส์จากการ เปลี่ยนแปลงในระดับโลกวัตน์แล้วก็ในระดับประเทศซึ่งมันไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงในที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงช่องว่าประมาณเท่า น, นั้นแต่อาจจะหมายถึงความรู้หรือช่องทางในการเข้าถึงความรู้ยกตัวอย่างเช่นเวลานี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีเครือข่ายโทรคม น, นาคมที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ความเป็นไปในระดับในระดับนาน า, นาชาติได้สามารถที่จะติดต่อกับชาวนาชาว ชาวนาชาวไร่ในประเทศบราซิลในประเทศแอฟริกาติดต่อกันเป็นเครือข่ายได้นี่คืออ น, นิสงค์ของโลกาภิวัตนซึ่งทุกวันนี้ชาวบ้านหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะยังไม่สามารถจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในทางสารสนเทศนะที่จะใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงข้อมูลนะรวมทั้งการกระจายหน้านะการกระจายหน้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก แต่การเปลี่ยนการกระจายอำนาจเนี่ยบางบางแห่งนี่มันก็กระจายแค่ส่วนกลางหรือกระจายแค่คนในเมืองคนในเมืองมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะจะจะมีเสถรวมในทางการเมืองแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงน้อยไม่มากเท่ที่ควรอันนี้ก็ถือว่ายังได้รับอ น, นุสงน้อยจากความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกแล้วก็ระดับในระดับชาติวันที่3ก็คือว่าการเป็นฐานการทําให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นฐานให้แก่ก ให้แก่การพัฒน า, นฒนานระดับประเทศเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินยอยู่เสมอนะในช่วงในกี่ปีที่ผ่านมาว่ามีนโยบายจะทําให้มวลไทยเป็นศูนย์กล า, างอ ย, าอย่างนู้เป็นศูนย์กลางอย่าง น, นี้เช่นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในระดับภูมิภาคในระดับเอเชียเป็นศูนย์กลางของขอ ง, ของอการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของการแฟชั่นเป็นศูนย์กลางของเรื่องการการการผ่าตัดหรือการวิจัย โดยอายสเต็มเซลล์อะไรต่างๆนี่เราจะได้ยินมากนะก่อนหน้านี้แล้วมันเคยมีกระสแสเปนเรื่องก่อนขึ้นมาก่อนในช่วงก่อนปี2014คือก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็หายเงียบไปพอวพอเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็หายเงียบไปเราจะได้ยินแต่ว่าที่โน่ที่นี่เขาทำเขาทำไข่เจียวใหญ่ที่สุดในโลกนะจังหวัดชางช่อง า, ชาทําไข่เจียวใหญ่ที่สุดในโลก สำเพ็งทำทำบะหมีเส้นยาวที่สุดในโลกนะหรือว่ามีการทําห่อหมกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องพวกนี้อยูนะ่เดี๋ยวนี้ช้า ค, ค่อยหายไปนะค่อยๆหายไปแนละ้วหลังจากที่เราเริ่มมีความเริ่มปีติก้าทักแกลในควางเศรษฐกิจขึ้นมาเราก็จะบอกเราจะเป็นศูนย์กลา ง, ง่วศูนย์กลางนี้รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เดี๋ยวนี้ได้ยินไหมฮะว่าเราจะเราจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ไหมเราะว่า คนต่างชาติเนี่ยไม่ต้องไปอเมริกาแล้วไม่ต้องไปยุโรปแล้วมารักษาที่เมืองไทยอย่างนี้มีคนต่างชาติเนี่ยมารักษาที่เมืองไทยเยอะมากบางโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลบางลงดงงงง้านเนี่ยมีมีนักมีนักมีคนต่างชาติเนี่ยมาเป็นมาใช้บริการของโรงพยาบาลเนี่ยเจ็ดอร์ของผู้ของผู้ป่วยพอะไพราะเพรราคาถูกเนี่ยสิริราชเอวยโรงพยาบาลเอกชนในเวลานี้เนี่ยเป็น เป็นเป็นแหล่งที่ดึงดูดเอาคนญี่ปุ่นหรือว่าพวกที่โดยเฉพาพวกที่มาจากตวันออกกลางแล้วก็คนในยุโรปเนี่ยเข้ามารักษามาผ่าตัดหัวใจแม้กระทั่งมาเปลี่ยนเพศมาแปลงเพศที่เมืองไทยรัฐ บ, บาลก็มีนโยบายว่าจะทำให้เมืองไทยเป็น medical hub เป็นศูนย์การทางการแพทย์ฟังดูก็ดีนะฮะเพราะมันทาให้เงินตราเข้ามาในประเทศแต่ปัญหาคือว่า เราจะทํเาเรืนโย บ, บายอย่างนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อชาวบ้านคนในท้องถิ่นเนี่ยยังป่วยยังป่วยด้วยโรคติดเชื้อนะยังเป็นโรคมาลาเรียยังเป็นโรคปอดบวมกันเยอะแยะและทุกวันนี้เนี่ยแพทย์นะแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนในโรงพยาบาลอำเภอในโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยมีไม่พอที่จะรับมือกับกับคนเจ็บป่วยที่มากมายโดยเฉพาะเมื่อเกิดนโย บ, บาย30บาทารักษาทุโรคขึ้น นโยบายนี้ทําให้ใครต่อใครก็เวลาป่วยก็มามาที่โรงพยาบาลหมอก็รับมือกับผู้ป่วยเหล่านี้มากขึ้นทุกทีจนกระทั่งหมอเครียดหมอเครียดแล้วก็ทําอะไรผิดพลาผดผิดพลาดก็ถูกฟ้องหมอจํานวนไม่ไน้อย ก, ก็เลยลาออกลาออกไปทำอะไรลาออกไปเพื่อที่จะไปไปอยู่โรงไร่บาลเอชนเพราะอยู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยรายได้ดีกว่าเพราะว่าเขามีคนต่างชาตินี่มามาทําการรักษา ที่กลังพูดนี่หมายความว่าองหมายความว่าเวลานี้เนี่ยเราต้องการให้เป็นศูนย์กลาง ร, ระดับชาติศูนย์กลาง ร, ระดับโลกแต่ว่าฐานเราอ่อนแอมากฐานเราอ่อนแอมากไม่ใช่ฐานเฉพาะในเรื่องของสุขภาพอนามัยที่เราอ่อนแอแล้วก็มีหมอไม่พอเท่านั้นแม้แต่ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็อ่อนแอมากเวลานี้นักเรียนจบปวอ่านหนังสือไม่ออกอาตมานี่อยู่ในอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเขต ก, กันดารู้ดีเลยว่าช็อปักตะเกียนเนี่ยจบปวชผมกอ่านหนังสือไม่ออก เขียนชื่อตัวยังเขียนไม่ค่อยถูกเลยแต่ก็จบมาได้ถึงป .6 นะและไม่แน่ใจด้วยว่าพู้ที่ไปอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีความรู้แค่แค่อ่านออกเขียนได้เนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเพราะฉนั้นไม่ต้องไม่ต้องถามเลยว่าทําไมคนสามจอในภาคใต้เนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ก็แม้แต่คนคนคนคนไทยที่พูดภาษาไทยมาตั้งแต่เกิดก็ยังอ่านหนังสือไม่เคยออกเขียนไม่ค่อยได้ นะและอย่างนี้เราจะไปเป็นฐานเไปเป็นอย่างนี้เราจะไปเป็นศูนย์กลางของอาเซียนศูนย์กลางของเอเชียได้อย่างไรนะในเมื่อฐานอ่อนแอเวลานี้เพราะนั้นเมืองไทยเนี่ยเปรียบเส ม, มือนกับตึกขนาดใหญ่ที่มีแต่จะต่อยอดสูงไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆแต่ว่าฐานนี่อ่อนแออ่อนแอาปลว่าอย่างไรหมายความว่าถึงเวลาวันดีคืนดีมันก็ล้มพังครืนมาเหมือนกับโรงแรงมโรยพาซา คงจําได้เมื่อสัก15ปีก่อนเนี่ยโรงแรมนิยอีโอพลาซ่าที่นักดีคอร์ทที่โคราชมันพังคลื่นลงมาเพราะว่าฐามันอ่อนแต่ว่าเติมต่อเติมเสริมยอดไปเรื่อยๆเมืองไทยอยู่ในสภาวะเช่นนี้แล้วเราก็พังคลื่นบางทีแล้วตอนเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปีก็ปีปีส0งพนสีาลอนแอนะพอเจอการคอร์รัปชันพอเจอการปั่นหุ้นพอเจอการการทนันเงินบาท การเก็งกำไรเงินบาทขึ้นมามันทนไม่ไหวก็มันเมก้ก็พังคือลงมาเมืองไทยเวลานี้เนี่ยเรามีความพยายามที่จะเป็นที่จะยืดหน้าที่จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแต่การศึกษาของเรานี่อ่อนแอมากนะอ่อนแอเวลานี้กำลังจะกลังจะตามหลังประเทศเวียดนามอยู่แล้วนะแล้วอย่างนี้เราจะเราจะเราจ ะ, เราจะสู้กระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรเนะี่ เราจะเป็นศูนย์กลางอะไรต่ออะไรได้อย่างไงในเมื่อฐานเราอ่อนแอนเพราะนั่นการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีความสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีฐานที่เข้มแข็งเพื่อที่จะเพื่อที่จะพัฒนาในรับประเทศไดนะ้ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจไม่ว่าในทางเทคโนโลยีหรือแม้แต่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราก็กําลังแยกําลังอ่อนแอเต็มทีป่าเรือไม่ถึง ไม่ถึง18ที่ซนตะิซน้ำเป็นพิษนะแล้วก็พื้นดินเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีการเสื่อมของหน้าดินสูงมากประมาณ 30-40 ของพื้นที่ในประเทศประมาณของพื้นที่ดินในประเทศที่มีอยู่ประมาณ300กว่าล้านไร่เนี่ยหนึ่งใน3ในมเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่สึกกร่อนอย่างรุนแรง เพราะมันถูกชำระหน้าดินเดี๋ยวนี้เห็นได้เลยเวลาได้กระั่งปูปูปูปูนสัมปลปังเนี่ยนะผลผลิตก็ได้น้อยเต็มทีแล้วเราก็ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นใช้ปุ๋ยมากขึ้นก็เกิดปัญหาหมลภาวะตามมาตอนนี้ฐานทรัพยากรเมืองไทยก็อ่อนแอมากนะฮะอ่อนแอมากมันถูกทําลายลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นป่าไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นหน้าดินไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพฒนาท้องถิ่นเนี่ยต้องจะมีความสำคัญเพราะว่าจะต้องมาทำตรงนี้นะแล้วก็ประการที่4ี่นะซึ่งอันนี้จะกล่าวไว้ตอนท้า ย, ายหน่อยก็คือว่าเราทำยังไงคือท้องถิ่นเนี่ยนะสามารถที่จะมีบทบาทขึ้นมาอยู่ตรงแนวหน้าของโลกได้ ท้องถิ่นจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฐานให้กับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนานในระดับประเทศแต่ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะขึ้นมาเป็นกระแสะใหญ่ของโลกได้มันไม่ใช่แค่ว่าส้มตําเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นเป็นเข้าสู่ตลาดโลกได้ไม่ใช่แค่ต้มยำกุ้งเท่านั้นที่สามารถเป็นการเป็นอาหารหลักในที่เป็นอาหารยอดนิยมในในระดับโลก สามารถที่จะขึ้นไปถึงพัตคาหรือโรงแรมระดับ5ดาวได้ของถิศเรามีความสามารถมากกว่า น, นั้นเรามีภูมิปัญญามากมายที่สามารถที่จะขึ้นไปถึงระดับโลกได้เช่นเรื่องของเช่นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของสมุนไพรนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็ปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาเช่นเป่าโนยเนี่ยเป่าน้อยซึ่งมันเป็นเป็นตัวยาซึ่งมีสามารถที่จะ ช่วยในเรื่องของการป้องกัน ร, รักษาโรคกระพาได้ล้วก็กลายเป็นยายาสำคัญของของของโลกเวลานี้เพราะถูกญี่ปุ่นเขาเอาไปจดลิขสิทธิ์ไป mm hmm. ไม่ใช่เฉพาะทรัพยากรทางชีวภาพเท่านั้นนะศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะ mm hmm. ก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นกระแสหลักของโลกได้ถ้าว่าท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาภูมิปัญญา ขึ้มาได้ประเด็นนี้จะจะได้กล่าวต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราดูดูดูดูพระจริยวัตรของในหลวงของเราเนี่ยประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรจะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยไ ด, ได้ได้ทำหลายอย่างนะในในสประการที่ว่าโนะดยเฉพาะการทําให้ชุมชนเข้มแข็งชนิดที่เราสามารถพึ้นตนเองได้นะแล้วก็พระองค์ได้ทํำหลากหลายมากนะ ไม่ไว่า จ, จ, จ, นะจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแลรรมรรมรร้วนกะ็ภูมิปัญญาเป็นการทําในระดับที่เราเรียกมันไมโครคือการทําระดับย่อยระดับย่อยซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าไอการทําระดับย่อยเนี่ยมันมันจะมีความหมายอะไรเพราะว่าเมืองไทยมีนต้องพึ่งหมู่บ้านนะการทําแค่ระดับย่อยหนึ่งหมู่บ้านสองหมู่บ้านระดับตำบลจะมีผลได้ต่อส่วนรวม แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องอยอมรับความจริงว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันมีความหลากหลายสูงมากการพยายามที่จะใช้อะไรที่มันเป็นสูตรสาเร็จให้ใช้กันทั้งหมู่บ้านไหนสําเร็จก็เอาวิธีการของหมู่บ้านนั้นไปใช้ในระดับในระดับชาติคือทั้ง 60,000 หมู่บ้านเนี่ยอย่างที่รัฐบาลทําอย่างเช่นสมัยหนึ่งเคยทําเรื่องจอกปทสมัยหนึ่งเคยทําเรื่องบวรอหรือม้แม้กระทั่งโครงการแก้ไข ค, ความยากจน นะซึ่งเคยคือหาอยู่ระยะหนึ่งหรือโครงกานอีสารเขียวนะอยงสังเกตว่ามักจะใช้วิธีว่าจะใช้สูตรสำเร็จเรีกว่าปรูพรมไปทั้งภาคหรือครูทมปรมูพรมไปทั้งประเทศนะซึ่งมันอาจจะกอใเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่ว่าชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ล้มเหลวนะเพราะว่าขาดความอ่อนไหวต่อ ความหลากหลายของท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนิรภั ย, ยหรือศิล ป, ปวัฒนธรรมแต่ในหลวงนี้ได้พยายามที่จะทําให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านหรนือตําบลแต่ละตําบลมันมีความเข้มแขยย็งอย่างเหมาะเสะกับท้องถิ่นของเขาเช่นบางแห่งก็ทําเรื่องส า, ารกรบางแห่งก็ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมบางแห่งก็ทําเรื่องศิลปวัฒนธรรมบางแห่งก็ทำเรื่องเกี่ยวเรื่องการฟื้นฟูอาชีพแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นการทําให้ ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะพึ่งตนเองได้และเมื่อพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยการที่จะรับแรงกระทบกระแทกที่เป็นภัยพุกคามจากภายนอกไม่ว่าจะในระดับโลกหรือระดับชาติหรือจากส่วนกลางเนี่ยมันก็มีน้อยลงคราวนี้เออเรามาดูการทำท้องถิ่นหรือการทำท้องถิ่นให้เข้มแข็งในในใ น, ในมิติเนี่ย มันต้องอาศัยอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือต้องอาศัยทรัพยากรต้องอาศัยฐานทรัพยากรที่ที่สมบูรณ์ที่เข้มแข็งฐนะานทรัพยากรที่เข้มแข็งเนี่ยซึ่งนนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าน้ําป่าที่ดินหรือความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องของภูมิปัญญาด้วยภูมิปัญญาเนี่ยนะภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขเรื่องของ การจัดการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือรวมทั้งภูมิปัญญาในการในการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตเนี่ยเป็สิ่งสําคัญซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขามีทรัพยาการท้องถิ่นนะที่เข้มแข็งรวมทั้งมีการมีความมั่นคงในด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งเมืองไทยแต่ก่อนนี่เรามีเรามีตรงนี้มาบ้านเมืองถึงสงบสุขมาได้จนกระทั่งเมื่อไม่ชาม้าไมนามวันนี้ซึ่ง เ, เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่คือเกิดการพัฒนาในรอบ40ปีที่ผ่านมาเรามีต้นทุนอยู่นะฮะการทํำทอกินให้เข้มแข็งก็คือว่าการรักษาต้นทุนหรือของเดิมเอาไว้ต้นทุนที่เป็นทรั พ, พยากรต้นทุนที่เป็นวัฒนธรรมต้นทุนที่เป็นภูมิปัญญานะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ คิดว่าคงไม่ต้องขยายความนะและเกรงว่าเวลาจะไม่พอประการที่สองคือว่าเราชุมชนหรือท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้เนี่ยจะต้องมีความรู้จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีตรงนี้เป็นเรื่องของคนละฮะเป็นเรื่องของคนละไม่ใช่เป็นเรื่องทรัพยากรตรงนี้สำคัญมากนะทุนที่สำคัญที่สุดคือคนนะที่เขาเรียก Human Capital และเป็นทุนที่ชี้ขาดความเป็นทุนที่ชี้ขาดความสําเร็จหรือความเจริญนะ เ, เราสังเกตไหมฮะในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยประเทศซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เนี่ ย, ยมักจะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่จะเป็นประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยซ้ํายกตัวอย่างเช่นเบเนซิลลานี่มีน้ํามันมีน้ํามันมากซาอุดิอาระเบียนี่มีน้ํามันมากพม่านี่มีมีต้นไม้มีมีป่าไม้เยอะนะ ไทยเราก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากออฟริกามีมีมีเพชรออฟริกาใต้มีเพชรน้ำ b ีเบียมีน้ำในกิเรียมีน้ำมันพวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่รวยทรัพยากรทั้งนั้นนะแต่จนนะจนมาดูมาดูเสียงมาดูประเทศที่ร่ารวยเวลานี้เนี่ยสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันยุโรปซึ่งมีบางประเทศเช่นฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นะหรือว่าฟินแลนด์ ซึ่งเป็นต้นซึ่งเป็นที่มาของโนเกียรหรือว่าอุตสาหกรรมชั้นนําพวกนี้เนี่ยทรัพยากรไม่มีเท่าไหร่เลยนะประเทศเขาก็เล็กนะฟินแลนด์นี่มีประชากรมา 6,7,8 ล้านคนเองนะสวีแดงก็มีประชากรเท่านั้นเองไม่ถึงจํานวนประชากรไม่ถึงไม่ถึงกุงแทพด้้ำทรัพยากรยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ประเทศเหล่านี้ยกไนสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกานี่เขาประเทศใหญ่ก็มีน้ํามันไมมีอะไรประเทศร่ําเวอส่วนใหญ่ที่เราพูดมาเนี่ยไม่มีทรัพยากรนะ จนทรัพยากรแต่ทําไมเขารวยได้เพราะว่าเขาไม่กินบุญเก่าเนี่ยเขาสร้างบุญใหม่ก็คือคนคนเนี่ยคือคื อ, ค, อคือต้นทุนที่สําคัญแต่เมืองไทยเวลานี้คนหลายประเทศเนี่ยคนเป็นภาระคนเป็นภาระคือมีคนมากยิ่งใหญ่เป็นภาระมากแต่ว่าในหลายประเทศเนก็เห็นว่าคนนี่คือต้นทุนทรัพยากรน้อยไม่เป็นไรนะแต่ว่าพัฒนาคนยิ่งประเทศที่มีทรัพยากรน้อยเนี่ยเขายิ่งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคน ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเป็นทรัพยากรแล้วญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นนี่อินพ็อตรือว่ารับเอาทรัพยากรจากทั่วโลกมาแม้ทั่งไม้น้ํามันข้าวโยเกิร์ตข้าวปูนนี้เขาไม่มีทรัพยากรมากเขาก็เลยเห็นว่าจะต้องพัฒนาคนส่วนประเทศที่มีทรัพยากรมากก็เลยประมาทคิดกินบุญเก่ากินบุญเก่าใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยเหมือนกับลูกเศรษฐีอ่ะ ลูกเศรษฐีนี่รวยได้แค่สองสาอายุคนหลังจากนั้นก็จนเพราะอะไรเพราะกินบุญเกา่านะไม่รู้จักไม่รู้จกคนขวาไปทําไมพราของของเกา่ามีอยู่เยอะแยะแล้วเอาแต่เที่เอาแต่เล่นแล้วลูกคนรวยเนี่ยรวยได้แค่2อาอายุคนก็จนในขณะที่ลูกคนจนเนี่ยเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็ต้องสร้างหรือสร้างตัวด้วยสติปัญญาด้วยความเพียรแล้วนะประเทศที่ยากประเทศที่ยากจนทรัพยากรเนี่ยเขารวยมาเพราะเห็นนี้เพราะเขาเน้นเรื่องคนเขาเนนเรื่อง ความรู้เรื่องกระบวนการเรียนรู้นะเรื่องการศึกษาแต่เมืองไทยเราเนี่ยเรากินบุญเก่ามากนะเราเห็นว่าไปที่ไหนก็มีกินที่ไหนมองไปที่ไหนก็เขียวสะพรั่งไปหมดก็เลยไม่สนใจเรื่องการศึกษาไม่สนใจเรื่องความรู้ไม่สนใจเรื่องกระบวนการเรียนรู้เราก็เลยใช้วิธีการท่องจำํำแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงตอนนี้เรากำลังจะแพ้ onse, เวียนนามไปแล้วสมคำมากคืข้อที่2 3. เศรษฐกิจชุมชนต้องเข้มแข็งนะ เพราะถ้าเศรฐกริจเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะการที่จะการที่จะไปการที่จะถูกการที่จะถูกเอารักษณะเปรียบการที่คนเนี่ยจะต้องไปเป็นกรรมกรในหมู่บ้านหรือแต่คนแก่กับเด็กมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่มีถ้าสามารถที่ทำมาหากินในชุมชนได้มันก็ไม่มีการพรัฒนาท่าที่ไม่ต้องไปซาอุดิอาระเบียไม่ต้องไปญี่ปุ่นไม่ต้องไปไต้หวันไม่ต้องไปไปหับไปหัคร้าวโพดที่ลบบุรีนะ หรือ่าเป็นตรมกรที่กรุงเทพคนหนุ่มคนที่มีความสามารถค น, คนหนุ่มคนสาวที่มีความสามารถอยู่ในชุมชนแล้วก็ใช้ทรัพยากรใช้ความรู้ที่มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งท้องถิ่นก็เข้มแข็งด้วยประการต่อมาคือการมีครอบครัวการมีโรงเรียนการมีวัดนะที่เข้มแข็งเดี๋ยวนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับครอบครัวออแนะมากใช่ไหมฮะเวลานี้ประมาณ40นะของครอบครัวไทยเนี่ยอ่ เวลานี้เด็กในชนบทเนี่ยประมาณประมาณประมาณน้อยละส่สิบเนี่ยนะไม่ได้อยู่กับพ่อหรือแม่ครบถ้วนนะฮะคืออยู่เพียงแค่กับแม่หรือพ่อคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลยสีเนะฉาะในชนบทนะในเมืองไม่ต้องพูดถึงครอบครัวอ่อนแบมากเวลานี้นะพ่อเหลือแต่คนแก่กับเด็ก วัดก็อนะ่อนแอหลายวันเนี่ยไม่มีพระอยู่ในซ้ำํำนะยกเว้นช่วงข่ภาษาพอภาษาก็ไม่เหลืออย่างเช่นบนบนหลังเขาที่ยะตามาอยู่นี่พอภาษาแล้วก็จะมีพระไม่ไม่เท่าไหร่โรงเรียนก็อ่อนแอเวลานี้สถาบันทางศิลธรรมทั้งหมดที่พูดมาคือสถาบันศิลธรรมอ่อนแอมากต้องทําให้เข้มแข็งขึ้นมาเข้มแข็งในทางอะไรในทางคุณธรรมในทางความรู้แล้วก็ในทางาในทางสายสัมพันธ์คือความ ความความสามัคคีหรือว่าความแน่นแฟน้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะถ้าถ้ามองแบบพุทธก็คือว่าจะต้องมีการพัฒนาทั้ง3ระดับหรือ4ระดับก็ได้อันที่1นคือพัฒนาทางกายหรือพัฒนาทางวัตถุคือมีสิ่งวัตอุที่ดีอุดมสมบูรณ์ไม่อยากจนไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บ2มีมีการพัฒนาในทาง พฤติกรรมในทางความสัมพันธ์ก็คือไม่เบียดเบียนกันเกื้อเฟื้อ เ, เกื้อกูลกันไม่เอาระดเเปรียบกันมีครอบครัวที่นั่นแฟนมีชุมชนที่นั่นแฟนข้อสามก็คือมีพัฒนาการทางจิตก็คือจิตใจสบายไม่เครียดไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กลุ้มกกลุ้มใจซึ่งทึ่ตร ง, ตรงนี้นี่เป็นปัญหาของเมืองไทยและของท้องถิ่นด้วยเพราะว่าท้องถิ่นเวลานี้เนี่ยทราบไมหมฮเวลานี้ในชุดโรงเรียนคนไทยนี่เครียดมากนะฮะ โรงพยาบาลอำเภอเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ใบสั่งยาที่เขาให้ไปเนี่ยประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเี่ยเป็นยาคลายเครียดนะนี่ยังไม่นับค่าใช้จ่ายที่ซื้อยาคลายเครียดนะคนไทยเครียดมากชาวบ้านเครียดมากที่ชายภูประมาณยีสเปอร์ซนเนี่ ย, นยทนไข้ทิมหาจะเป็นโรคหัวใจสัน่นโรคหัวใจสั่นนะหายใจไม่เต็มไม่เต็มท้องโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคทางกายนะฮะเป็นโรคทางใจ มีตกกังวลมากนะชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนที่มีพัฒนาการทางจิตคือไม่เครียดนะไม่เครียดแล้วก็มีจิตใจปร่ดร่วงป ล, อ, ปล อ, อดผองใสนะเพราะการที่ได้เ อ, อื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันเพราะว่าไม่มีสิ่งที่จะต้องมาทำให้ลกลุ่มองคุณมใจแล้วการที่สี่คือพัฒนาการในทางปัญญานะถามว่าอะไรเราจะทำตรงนี้ได้อย่างไรตรงเนี้ แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสําคัญมากนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ในหลวงได้ได้ได้ทรงริเริ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องปากค้องอย่างเดียวนะครเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลายเรื่องมากการที่การที่คุณจะมีเศรษฐกิจพอเพียงในประกาแรกเลยเนี่ยคุณต้องคุณต้องรู้ก่อนว่ารู้ว่าอะไรคือความพอดี ไอการที่รู้รู้รู้ว่าอะไรคือความพอดีนี่แหละมันเป็นเรื่องของปัญญาความพอดีก็คือว่าเราคิดว่าความพอประมาณก็ได้ความพอพอดีความความพอดีคือว่ารู้ว่าอะไรที่ไม่มากไม่น้อยสําหรับตัวเองซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันและเศษกิพอเพียงเนี่ยมันมีความหมายอีกอย่างนึงคือว่ามันหมายถึงการอยู่พอดีกินพอดี ไม่ใช่พออยู่พอกินนะพออยู่พอกินต่างจากอยู่พอดีกินพอดีพออยู่พอกินเนี่ยมันหมายความว่ามีแค่พอกินมีแค่พออยู่แต่อยู่พอดีกินพอดีหมายความว่ามีเยอะแต่ว่าอยู่แค่พอดีกินแค่พอดีแล้วที่เหลือไปเจอจานเซกีพอเพียงไม่ได้หมว่าเามว่าคุณไม่มีเหลือนะเซกีพอเพียงหมายความว่าคุณมีเหลือและคุณคุณมีเหลือเพราะคุณกินพอดีคุณอยู่พอดี ไม่ใช่เพราะว่าแค่พออยู่พอกินไอ้พออยู่พอกินหมายความว่ามันต้องมออีคือ ม, ไมีไม่มีเหลือนะต้องจำเป็น10บาทก็มีก็มีแค่10บาทไม่มีเหลือแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าคุณรู้คุณสามารถที่อยู่พอดีกินพอดีได้แล้วที่เหลือคุณเจือจานเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงไม่หมายความว่างอมืองอเท้าวันนี้ฉันต้องการบาทฉันไปหา10บาทมาพอฉันได้10บาทแล้วฉันไม่ทาอะไรแล้วไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่า วันนี้ฉันต้องการสิบบาทก็จริงแต่ฉันก็จะทมากินด้วยความเพียรอาจจะได้มายี่สิอาจจะได้มาสาจจมสิบแต่ฉันกินแค่สิบพราะนี่คือความพอดีของฉันและยี่สิบาทไปทไําระยี่สบาท ก, ก็ไปทำไปช่วยเหลือไปทําบุญเอาไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นนะนี่คือความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบัญชีของบุคคลนะตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องของระดับศีลการที่อยู่พอดีกินพอดีนี่มันเป็นเรื่องกาม ร, ริโภค เรื่อ ง, องการใช้ชีวิตซึ่งในทางวิชาการถือว่าเป็นเรื่องของศีลนะเพราะคุณอยู่พอดีกินพอดีแล้วคุณมีเหลือเพราะคุณทําด้วยความเพียรคุณก็เจือจางไปให้ผู้อื่นต่อไปนะการเจือจางก็เป็นเรื่องของศีลและการที่คุณจะมีเศรษฐิพอเพียงและชีวิตพอถึงได้คุณต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่มีนะพอเพียงมันคู่กับพอดีนะแล้วต้องคู่กับพอใจด้วยบางคนเนี่ย คือถ้าเราไม่มีความพอใจในสิ่งที่เรามีนะมันพอเพียงไม่ได้นะมันต้องโลภมันต้องเอาอยู่เรื่อยๆหรือถึงจะ ถ, งถึงจะอยู่แบบพอประมาณก็อยู่ด้วยความทุกขนะ์เพราะต้องคอยหาห้ามจิตใจแต่ถ้าคุณรู้จักพอใจในสิ่งที่คุณมีนะคุณไม่ต้องหาห้ามจิตใจเพราะคุณพอใจแล้วพอใจคือความสุขทุกวันนี้เราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีนะ เราไม่พอใจสิ่งที่เรามีเวลาเอาชาวบ้านเวลาแจกเสื้อผ้าเวลาพระผมไปแจกแจกเอาพระผมไปแจกชาวบ้านบ้านเราผืนบ้านเราผืนบ้านเราผืนนะชาวบ้านดีใจฮนะแต่พอรู้ว่าบ้านอื่นเนี่ยเขาได้สองผืนเนี่ยเป็นยังไงฮะที่เคยดีใจนี่กันโกรธเลยทุกเลยอาจจะทุกกว่าตอนที่ไม่ได้แจกพระผมได้ซ้ําทําไมฮนะเพราะไปมองว่าไอ้บ้านนูนไม่ได้สองฉันได้หนึ่ง นี่แหละที่เราเรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่เรามีคุณจากจากจากศูนย์แล้วคุณได้มันหนึ่งเนี่ยคุณควรจะพอใจคุณควรจะมีความสุขแต่ได้หนึ่งแล้วไม่พอใจฮะไม่มีความสุ ข, ขเพราะอะไรเพราะบ้านอื่นไม่ได้สองก็เหมือนคนคนค น, คนทํางานราชการหรือคนทํางานในบริษัทเอกชน ก, ก็เหมือนกันเวลาแจกโบนัสเนี่ยเออถ้าได้แจกโบนัสคนละหมืน่นคนละหมื่นนี่ดีใจนั้นน่ะฮะแต่พอรู้ว่าเพื่อน ได้สองหมื่นเป็นไงไอนะ้ดีใจกลายเป็นเศร้านะนี่เราเรียกว่าไม่พอใจสิ่งที่เรามีและทุกฮะนะอันตะมาคือยกตัวอย่างเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยอยากได้อยากต้องการซื้อกล้องนะกล้องดิจิตอลเนี่ยเขาตั้งขายหมื่นหนึ่งนะอุตสาห์ไปหาซื้อในทินที่มันขายถูกมีร้านหนึ่งลดราคาเหลือเจ0 0พัน ไปซื้อมาก็ดีใจว่าฉันได้ซื้อของถูกเนี่ยราคาหมื่นหนึ่งฉันซื้อได้เจ็ดพันพอกลับมาบ้านว่าจะโชว์เพื่อนบ้านสงสารเพื่อนบ้านบอกว่าฉันก็มีเหมือนกันฉันก็เพิ่งไปซื้อมาฉันซื้อได้ห้าพันเป็นยังไงฮะเศร้าเห็นไอ้ไอ้ไอ้เครื่องไอ้ไอกล้องที่ภูมิใจดีใจที่ได้มาเนี่ยบางที อ, อยาจะคว้างทิ้งทำไมต้องคว้างทําไมต้องเสียใจอมันก็ดีเนี่ย มันก็ดีมันเป็นของมันเป็นของใหม่แล้วก็มันก็ถูกกว่าราคาที่เขาเขาวางขายคุณไปเกียดมันทำไมคุณไปไปชิงชังมันทําไมนะถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีมนะันก็หมายความว่าเออใครก็จะได้ซื้อเขาเขาจะได้ถูกใครใครใครเขาจะได้มากก็ช่างเขาแต่ฉันพอใจใสิ่งที่เรามีเพราะฉันไม่ได้ไปเปรียบเทียบ ก, กับใครเศรษฐกิจพอเพียงมันตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะคือความพอใจในสิ่งที่เรามีเพราะเราไม่ไปเปรียบเทียบ ก, กับใคร แล้วคนเราถ้าเปรียบเทียบขายเมื่อไหร่นะทุกตลอดเวลานะถ้าเปรียบเทียบไม่เป็นเว้นแต่ไปเปรียบเทียบคนที่เขามีน้อยกว่าเราจนกว่าเรานะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเปรียบเทียบคนอื่นแล้วเราก็ทุกแล้วเราก็จะไม่รู้สึกพอนะเพราะคุณมีร้อยล้านคุณก็ทุกเพราะคนอื่นเขาบางคนก็ได้พันล้านคุณเป็นเศรษฐีคุณเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยคุณก็ยังทุกเลยเพราะว่าคุณยังแพ้ยู่เกรหรือคุณยังแพ้ที่หนึ่งของมาเลเซียแล้วเมื่อไหร่จะพอไม่พอนะฮะไม่มีความสุข นั่นเศกิจพเพียงเนี่ยมันต้องมีความพอใจในสิ่งที่มีด้วยฮะอันนี้เป็นเรื่องของจิตแล้วจิตหรือเรื่องสมาธินะเมื่อกี้ได้พูดนะต้องรู้ความพอดีคือมีปัญญาต้องอยู่พอดีกินพอดีคือมีศีลอันนี้เป็นเรื่องของศีลพอใจในสิ่งที่เรามีในคำพุทธศาสนาถือว่าเป็นฝ่ายเป็นธรรมะฝ่ายสมาธิหรือฝ่ายจิตนะแล้วก็เพื่อเพื่อเพกูนกัน การเอเฟื้อเกือ้อกูลกันเนี่ยมันเป็นหลักประกันของของชีวิตที่ที่มีความสุขที่มั่นคงความอื้อเฟือเกื้ อ, อกูลกันนะแลคุณนิรันดรเมธิสุภคุลแกแกเคยไลฟ์ฟังเคยแกเคยไปทําสารคดีในชนบทแห่งหนึ่งแล้วต่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณป้าเนี่ยถือปลามาสองสามตัวเป็นตัวใหญ่ด้วยคุณป้าก็ถามทีมสารคดีชุดนี้ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่พอดีว่า ไอปลาเนี่ยทำอะไรที่กินได้นานก็เฉียงเงินใหญ่เลยตกเฉียงเงนใหญ่ที่ปลาใหญ่เอาไปหมักหรือเอาไปใส่ตู้เย็นหรือเอาไปตามแดดหรือแล้วคุณป้าบอกคิดนะทิศมดป้าบอกเอาไปแจกเพื่อบ้านในทั่วถึงแล้วคุณจะกินได้นานนะนี่คือภูมิบรรญายอย่างหนึ่งนะของของชาว บ, บ้านคือถ้าคุณอยากกินได้นานคุณต้องเผือแผ่ เพราะถึงเวลาคนอื่นเขามีเขาก็มาแบ่งให้คุณเหมือนกันมองอย่างนี้จาตัวก็คือว่าการเผื่อแผ่ก็คือการเอาเอาไ ป, ไป เ, อาเอาปลาไปไปฝากไว้ในท้องคนอื่นมันก็ผปลออมสินไงถึงเวลาก็ได้ใช้นี่คือภูมิปัญญาคือว่าคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงได้เนี่ยคุณต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงเวลาคุณโตกหลักกรรมลําบากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่งคุณจะไม่สูญหายเขาก็จะมาช่วยเหลือคุณ นี่คือภูมิปัญญาซึ่งลืมไปแล้วอย่างนี้ในขึ้นโยนงนั้นเศรษฐกิจอเพียงนี่จะพบว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนา4ระดับนะเรื่องของปัญญาเรื่องของจิตเรื่องของเรื่องของวัตถุแล้วก็เรื่องของเสื่อเรื่องของเรื่องของปัญญาเรื่องของจิตเรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องของกายหรือเรื่องของวัตถุนะ และสิ่งที่ในหลวงได้ได้ไ ด, ได้ได้นำสนนเสนอเรื่องศรษีพอเพียงเนี่ยมันมีสิ่งสําคัญมากนะเพราะว่ามันหมายถึงการพัฒนาอย่างครบองค์รวมไม่ว่าจะในระดับบุคคลหรือในระดับท้องถิ่นหรือระดับชุมชนในระดับบุคคลก็คือถ้าคุณมีศรษฐพอเพียงเนี่ยมันมันคือมันจะช่วยทําให้คุณมีพัฒนาการทั้งกายศีลจิตปัญญาและถ้าท้องถิ่นเนี่ยเขา้าใจเรื่องศรษีพอเพียงเนี่ย มันก็หมายถึงการพัฒนาทั้งในเรื่องของกายคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจคือการทํามาหากินเรื่องของความสัมพันธ์เอือเฟื้อเกอร์กูลกันครอบครัวครอบครัวสามัคคีกันชุมชนเข้มแข็งเรื่องของจิต ก, ก็คือว่ามีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีคุณธ ร, รรมเรื่องเรื่องของจิตคือเรื่องมีคุณธรรมและเรื่องของปัญญาคือเรื่องของการมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีความรู้และจะสังเกตในหลวงเนี่ย ท่านจะไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงล้วนๆนะถึงแม้ว่าท่านจะมีรายละเอียดว่าจะต้องแบ่งที่ดินกี่เปอรกี่ไร่กี่ไรนะ่อันนั้นเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยจะครอบคลุมหลายนิติแต่เรืนี้เราไม่เข้าใจครเราไปเข้าใจแต่ ว, ว่าเศรษฐกิจก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโดยไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยมันมีพื้นฐานทางด้านของขอ ง, ของจิตใจ ด้วยนะและตรงนี้นี่เองที่ที่ถ้าเราเนี่ยเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์นะถ้าประเทศเราเนี่ยหรือท้องถิ่นเนี่ยเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะช่วยทําให้ชุมชนนี้เข้มแข็งขึ้นมานะคราวนี้เนี่ยแล้วสิ่งนี้มันมาโยงกับหมาหาวิทยาลัยราชพัฏอย่างไรหมหาวิทยาลัยราชภัฒหน้าที่ของหมหาวิทยาลัยหรือภาร ก, กิจของหมาหมาวิทยาลัยราชภัฒเนี่ย ก็คือการช่วยทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งช่วยการพัฒนาท้องถิ่นอย่างครบองค์รวมทั้งนี้เนี่ยทา่นานธรรมก็อยากจะเสนอว่าก็โดยการเอาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละมาเป็นยุทธศาสตรนะ์หรือหรือมาเป็นมาเป็นมาเป็ น, ม า, ปนมาเป็นยุทธศาสตร์หลักก็คือว่ามาเป็นยุทธศาสตร์หลักในแง่ที่ว่า เศรษิจเป็เรื่องที่คนเนี่ยสนใจอยู่แล้วคนที่สนใจเรื่องวัตถุอยู่แล้วนะพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคนก็จะสนใจขึ้นมานะแต่เป็นเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่ามันควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน อ, าอื่นๆเช่นการพัฒนาหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการทางปัญญา หรือการส่งเสริมให้เกิดโครงการใหม่ๆเพื่อที่ช่วยในเรื่องของวิชาชีพเรื่อ ง, องการทำมาหากินนะเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเร า, เราทำทำยุทธทำให้เป็นยุทธศาสตร์หลักโดยโดยเข้าใจสาระของเศรษฐกิจพอเพียงนะจะทำให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันด้านสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมนะแล้วก็อาจจะรวมถึง ได้าการเมืองกับปกครองดูเพราะว่าเศรษฐกิพอเพียงนั้นเนี่ยจะไปไปได้ผลเนี่ยมันต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นกระจายอำนาจท้องถิ่นให้เขาคิดให้เขาตัดสินใจกันเองไม่ใช่สั่งมาจากส่วนกลางว่าเอาทําอย่างโ น, น้นทำอย่างนี้นะแต่ละท้องถิ่นเขาจะต้องมีอํานาจในการตัดสินใจรวมถ้ามีอํานาจในการที่จะคิดพิจรารณาด้วยตัวเองซึ่งอันนี้ก็หมายถึงการกระจายอำ น, นา นั่นถ้าเราเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนนํา เ, เป็นธงนำอย่างที่ในหลวงเนี่ยพยายามย้ำนักย้ำหนาเนี่ยมันจะช่วยทํา ใ, ให้การพัฒนาด้านอื่นๆของท้องถิ่นเนี่ยตามขึ้นมาด้วยอันนี้บทบาญของสถาบันของมาเทรราจัดพัฒน์เนี่ยการที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งโดยการที่ช่วยทำให้โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป็นแกนนำเนี่ยนะต่อกรจัด ก, การองเป็นรูปธรรมเนี่ย ในขั้นเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าอย่าง น, น้อยต้องเริ่มต้นจากการที่เริ่มต้นจากทุนที่มีอยู่คือเวลานี้ในะชุมชนจนํานวนไม่น้อยหรือท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยหรืที่เขาเขาเข า, เ, ขาเนินตามตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ทั้งโดยรู้ตัวและไม่และโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวก็หมายความว่าเขาก็ทําไปตามภูมิปัญญาที่มีซึ่งก็ไปสอดคล้องกับเศ ร, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ชุมชนที่ว่านี่เขาอาจจะไม่ได้ทาเรื่องเศรษฐกิจก็จาอาจจะทำเรื่องการศึกษานะแต่เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาย่างเช่มีบางโรงเรียนเนี่ยนะเขาที่ที่ที่ภาคเหนือเนี่ยครูเนี่ยเรียมเข้าใจเรื่องการศึกษาให้เด็กเนี่ยแทนที่จะเรียนแต่ในห้องเรียนให้เด็กเนี่ยไปเรียนรู้จากชุมชน เช่นทํากิจกรรมให้เด็กนไปหาสมุนไพรในท้องถิ่นเด็กไม่เด็กไม่รู้เรื่องสมุนไพรเลยเด็กทำไงฮะเด็กก็ต้องไปคุยกับกับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านคนเท่าคนแก่เนี่ยก็ทิ้งพวกนี้ไปนานแนละ้วเพราะว่าลูกหลานไม่สมนใจพอมีลูกหลานเนี่มาถามเรื่องเรื่องเรื่องสมุนไพรผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยฝังโอ้สมัยก่อนหมู่บ้านนี่เราเคยมีสมุนไพรามากมายเพราะมันเป็นป่าแล้วเด็กก็ถามว่าสมุนไพรมันไปไหนหมด ก็ป่าทําลายเด็กก็เกิดความรู้สึกห้วแหนป่าขึ้นม า, าโอ้สมัยก่อนบ้านเรามีสมุนไพรเยอะนะเพราะมันมีป่าแต่ตอนนี้ป่าไม่มีป่าหมดไปน้ําหมดไปเด็กก็เกิดตั้งเกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไมป่ามันหมดไปคุยไปคุยมาพเพราะว่าคนเท่าคนแก่รวมทั้งคนรุ่นพอรุ่นแม่เกิดความตื่นตัวขึ้นมาใหม่เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยเกิดชุมชนเจอขญารอนุรักษ์ป่าขึ้นมานะ ก็กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยเริ่มต้นจากสมุนไพรแต่ไปกระตุ้นให้แต่ไปกระตุ้นให้ใ ห, ให้ให้พ่อแม่เนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยสนใจตื่นตัวเรื่องป่าก็คือเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านสันมมคเคทที่เชียงรา ย, ยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมันเป็นส่วนหนึ่งของการกลับเครื่อนอย่างสอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพราะว่าเป็นการทำให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นการทำให้ชาวบ้านเกิดความห่วงแหานรักษาป่าขึ้นมาอย่างพึ่งตนเองนีบางโรงเรียนนะหมู่บ้านที่วังสวัสดีที่นครสวรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนจากไปเรียนจากแปลงปลูกผักแปลงปลูกผักเนี่ยให้แต่ละคนไปปลูกนะและเรียนวิทยาศาสตร์ก็ที่แปลงนี้เรียนคณิตศาสตร์ก็ที่แปลงนี้เรียนนิเวศวิทยาก็แปลงนี้เรียนภาษาอจีกก็ที่แปลงนี้เช่น ผักภาษาังจฤษว่าอะไรนะดินภาษาอังกฤษว่าอะไรเรียนศิลธรรมก็เรียนจากแปลงผักเพราะเด็กได้รู้เลยว่าต้องช่วยเหลือกันเวลาเห็นแปลงผักคนอื่นเนี่ยเขาเจอเขาเจอเขาเจอแมลงนะมแมลงศัตรูพืชเด็กบางคนก็ไม่สนใจนึกในใจว่าเออดีให้มันมากินซะแปลงฉันจะได้สวยงามมากกว่าเด็กเขาแล้วเด็กก็มารู้ว่าไอแปลงนั้นเนี่ยเมื่อแปลงอื่นเสียเนี่ย แปลงตัวเองก็เดือดร้อนด้วยเพราะว่าศัตรูเพื่อนมันก็จะกระโดดเข้ามาที่แปลงตัวเองเด็กก็เลยรู้ว่าจะนิ่งดูได้เรื่องของคนอื่นไม่ได้ต้องไปช่วยกันความรู้สึกเห็นแก่กตัวมันหมดไปความเห็นแก่ส่วนรวมมีมากขึ้นแล้วครูก็เก่งนะครูเข า, เนะเขาไม่สอนไม่ชี้หรอกแต่ให้นักเรียนหาค้นหาคําตอบด้วยตนเองใครมาถามว่าเป็นอย่างน้นอย่างนี้บอกครูบอกให้ไปหาดิชช่นารีเอาไปหาปริญาหุ ก, กลมเอาไปหาไปค้นจากหนังสือเอาเด็กก็เกิดนิสัยคนฟ้าแล้วบอกว่าไอ้โรงเรียนเนี่ย ก็กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศมาที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนวังสวัสดีนี่เป็นตัวอย่างของการทำท้องถิ่นให้กลายเป็นกระแสรแะดับชาติท้องถิ่นเนี่ยถ้าทำให้เข้มแข็งนะดีนะมันกลายเป็นแบบอย่างระดับชาติได้แต่ไม่ใช่เป็นแบบอย่างสาหรับการ c o อปนะเพราะมันต้องไปประยุกต์ต้องไปปรับปรุงเพราะนี่หน้าที่ของหมหาวิทยาลัยชพัณเนี่ยก็คือว่าการที่เราไปหาไปสืบคน้นว่า แต่และชุมชนเขามีการเริ่มที่น่าสนใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายที่กว้างนะฮะหรือตามแนวที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งหรือท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างไรบ้างไม่ว่าจะปเป็นเรื่อง ก, การศึกษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องซึ่งไม่มีใครทําได้ดีเท่ามาวิทยราชพัฒนะในจอมบุรีรัมเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่มีใครทําด้ทได้ดีเท่ากับมาวิทยราชภัฒบุรีรัม การลงไปสืบค้นถึงระดับหมู่บ้านที่จะเห็นความเริ่มอย่า ง, างทันยุคทันสมัยหรืออาจจะไม่ทันยุคทันสมัยก็ได้แต่ว่าเป็นของดีที่น่ า, ามือรักเอาไว้นี่ภาษาฝรั่งเรียกว่า mapping นะ mapping ก็เป็นการไปหาไปสืบค้นให้เจอนะและไม่พอนะจะต้องศึกษาแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ว่ามันสาเร็จได้เพราะอะไร เราไม่ค่อยได้ศึกษากันนะฮะบางทีเราไปเน้นว่าเอาเป็นพ่อครูบุคคลเป็นพ่อครูแต่เราไม่ได้ศึกษาแล้วเออมันเขามีกระบวนการอย่างไรนะเขามีกระบวนการอย่างไรบางทีมันเป็นกระบวนการที่น่าสนใจอย่างมีบางวัดเนี่ยเขาทําให้เป็นหมู่บ้านปลอดเล่าได้ไม่ใช่แค่เป็นวัดปลอดเล่าแต่ทําให้มหมู่บ้านปลอดเล่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แล้วก็เจ้าวาดเท่านั้นนะฮะแต่น่าจะเป็นความสามารถของเจ้าวาดและผู้ใหญ่บ้านตัวตามเนี่ย ให้ศึกษาเขามีกระบวนการอะไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ความสลายเกิดขึ้นได้เราไม่ค่อยได้ศึกษาวิเคราะห์กันเท่าไหร่นะเพิยงจะรู้ว่าเออเขาทำกันอย่างนี้ดีแต่เราไม่ศึกษาไม่วิเคราะห์เราไม่เห็นความเราไม่รู้ว่าเขาใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือต้นทุนของชุมชนอย่างไรบ้างเราเป็นในเรื่องตัวบุคคลมากนะแต่ถ้าเราศึกษาเราก็จะพบว่าโอในชุมชนนี้ในวัด น, นี้เขามีต้นทุนทางวัฒนธรรมอยู่ เช่นบางชุมชนเนี่ยมีวัดสืบทอดกันมาสามรอยปีเขามีความภูมิใจในความเป็นวัดแลว้วพอกระตุ้นเรื่องความภูมิใจในวัดขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่เคยเอาเล่ามากินกันในวัดะไม่ว่าจะเป็นงานกระิ่งานพระป่าก็กคอ่คอยหายไปค่อยหายไปเนี่ยเราวิเคราะห์ให้ได้ว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้แต่ละย่อยแต่ละย่อยในขั้นประสบการณ์ส่วเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ตรงนี้ก็มีใครทําด้ดีเท่ากับมหาวิทยาลัยราชภัฒเพราะว่ามีวิธีการศึกษามีกระบวนการเรียนรู้มีกระบวนการวิเคราะห์ที่ดีนะวิเคราะห์เสร็จมาสังเคราะห์นะฮะมาสังเคราะห์เพราะว่าแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามาสังเคราะห์ให้ได้ว่ามันมีความสําเร็จอย่างไรบ้างแล้วมีความเหลื่อมล้วย่างไรบ้างนะนิพการที่2ปงนิที่3มนีคือส่งเสริมศักยภาพเขาให้มีมากขึ้น ส่งเสริมศักยาภาพของเขาให้ให้มีมากขึ้นศักยภาพคือความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาแต่และท้องถิ่นแต่และท้องถิ่นเนี่ยต้องส่งเสริมให้เขามีศักยาภาพมากขึ้นนะเขจะทําเรื่องตอนแรกเขาจะทา เ, เ, เรื่องเรื่องเรื่องวิชาชีพเขาจะทำเรื่องโอทอก็ส่งเสริมมมีสให้เขามีสมรรถภาพไม่ใช่แตไม่ใช่แต่แต่เฉพาะเรื่องของการผลิตเรื่องของการทาอากิพแต่มีศักยาภาพในเรื่องของการวัฒนธรรม เรื่องสิ่งแวดล้อมนะเพราะมันเชื่อมโยงกันส่งเสริมให้เขมีศักยภาพในเรื่องของการศึกษาการถอดทอดหรือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับหมหาวิทยาลัยราชพัฒนะเพราะว่าเรามีเรามีวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมเข้าได้และข้อที่4ีนำไปเผยแพร่นะพอนำไปเผยแพร่นี่นะ ของบางอย่างซึ่งมันเป็นระดับท้องถิ่นเนี่ยมันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติขึ้นมาและมันอาจจะกลายเป็นสิ่งเด่นดังในระดับโลกได้นะโลกก็อาจจะมาดูงานอาจจะมาสนใจว่าเออเขาทำได้อย่างไรนะตรงเนี้เป็นหน้าที่นะฮะในฐานที่เป็นเราเราเป็นหมาหาวิทยาลัยท้องถิ่นเนี่ยเราคงไม่เพียงจํากัด บ, บทบาทของเราเพียงแค่ระดับท้องถิน่นถ้าเราทําให้ดีนะบทบาทของเราเนี่ยจะกลายเป็นการนุนชูท้องถิน่น ให้โดดเด่นขึ้นไปในระดับชาติและกลายเป็นส่วนของกระแสโลกาภิวัตน์นะและตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากและอาารย์คิดว่าตรงนี้เราเรียนรู้จากจากการจา ก, จากกระบวนการของในหลวงได้ในเรื่องการศึกษาคือทั้งหมดที่พูดมานี่นะฮะสถาบันราชพัฒทําได้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่ต้องหาสร้างสร้างทุนในตัวเองขึ้นมาและต้องรู้เข้าใจ จนสามารถที่จะไปสอนเขาได้สามารถที่จะไปแนะนําเขาได้เราจะแนะนำเขาได้เราต้องมีทุนของเราอยู่และทุนของเราจะมาได้ย่งไงนะมันต้องได้มาจากการที่ไปสังเกตศึกษาและตรงนี้ศึกษาจากบทเรียนของในหลวงได้คนระับในหลวงนี่ไม่ได้จบปริญญาสูงน ะ, ะเราคงทราบว่าพระองค์ไม่ได้ไม่ได้จบปริญญาแบบที่ที่ ท, ที่ที่สมัยนี้จบกันนะแต่ทําไมพระองค์ถึงได้ปริญญา ดุสิตบันติกิติมศักดิ์จากหลายมหาเทยาลัยจากหลายประเทศเพราะอะไรในเมื่อท่านไม่ได้จบไม่ได้เรียนสูงนะถ้าเราศึกษาประวัติท่านเนี่ยเพราะว่าท่านไปเรียนรู้จากของจริงนะการเสด็จการเสด็จประพาสไปตามที่ต่างๆเนี่ยในช่วง30 40ปีที่ผ่านมาเรียกว่า50ปีก็ได้เป็นการไปศึกษาจากความจริงไปศึกษาจากของจริงศึกษาในตัวเองโพระเนี่ยก็จะมีสมุดนะ แล้วพรองค์ทำยังไงก็ไปจดถามชาวบ้านบางทีก็นั่งคุกเข่าถามชาวบ้านถามคนเท่าคนแก่แล้วก็จดนะพรงเนี้ยฟังมากนะฮะฟังมากแล้วจดมากฟังมากจดฟังแล้วถามแล้วจดแล้วมาไขขวรตามหลักสุจิปุลิสเลยฮนะสุจิปุลิสุสุด ส, ส, สุแล้วก็คือสุด ต, ตาฟังจิก็คือจิตตาการคิดพูดผึบ ปุดฉาลิขคือลิขิตคือเขียนสุจิปุลิครบเลยในหลวงแต่ขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากของจริงนะไปเรียนรู้จากของจริงไปเลยว่าชาวบ้านนี้เขามีอะไรชาวบ้านเขามีความรู้อะไรบ้างส่วนใหญ่เรามักจะลังเกียจเราไม่คิดว่าชาวบ้านนี้เขาไม่รู้อะไรเขารู้เขารู้ในท้องถิงของเขาเขารู้ดีมากก็อาจจะไม่รู้เรื่องหมู่บ้านอื่นเขาอาจจะไม่รู้เรื่องกรุงเทพแต่เขารู้เรื่องหมู่บ้านเขาดีมากและในหลวงก็ไปฟังไปเรียนรู้แล้วก็ไปใคร่ครวญ จากคนเหล่านั้นเพราะพระโ อ, อ๋เนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นการศึกษาด้วยความถ่อมตัวเป็นการศึกษาจากของจริงไม่มีตำราไม่มีทฤษฎีมากมายอะไรแน่นอนพรอคอาจจะอ่านหนังสือด้วยแต่ว่าเราจะเห็นเราพรอง์เนีเก็บข้อมูลมากอันนี้สถาบันมหาวิรัชภันฑน์จะจะทำอย่างเี่อาตมาว่ามา 3-4 สขั้นตอนได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่ ส่งเสริมให้ครูบาจารย์แล้วก็นักศึกษาเข้าไปเข้าไปเรียนรู้จากชุมชนเข้าไปเรียนรู้จากท้องถิน่นเจริอนอยตามพระบาทสมเด็จะอยู่ในเรื่องการศึกษาเนะีเพราะฉะนั้ น, นพระองค์เนี่ยรู้มากจกนกระทั่งว่าเวลาเวลาพูดถึงอำเภอเนี้อำเภอ น, น, นั้นเนี่ยพระองค์ น, นึกภาพออกว่าเขามีท้องที่ท้องถิน่นมีสภาพทางภูมิศาสตร์อย่างไงบ้างมีสภาพทางวิทยาการยังไงอย่างไรบ้า ง, าา ง, า ง, า ง, างแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้อง เก่งอย่างพระองค์ท่านก็ได้อย่างน้อยเนี่ยเราเก่งเฉพาะในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก็พอนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นจังหวัดอะไรจังไม่ได้เป็นเนื้อที่ที่ใหญ่มากเท่าไหร่จนกระทั่งเราสามารถที่จะนึกภาพเป็นภาพได้แต่แน่นอนอันนี้คงไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งแต่ต้องรวมกันเป็นเครือข่ายคนนึงคนนึงก็รู้อย่างหนงคนก็รู้อย่างหนงคนรู้เฉพาะจุดอีกคนนึงรู้เฉพาะจุ ด, นนจดแล้วก็มารวมกันเป็นเครือข่ายก็ทําให้เกิดการ พัฒนาสร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วจะมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หมารรัชพันธ์เนี่ยสามารถที่จะจะจะเจริญรอยตามพรงได้นะในเรื่องการศึกษาและที่สําคัญที่อยากจะเน้นเป็นประการสุดท้ายคือว่าเวลาพูดถึงการศึกษาเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องการศึกษาในเชิงวิชาการหรือในเชิงของความรู้ทางโลกที่เ ร, เรียกวิทยาการเท่านั้นนะฮะแต่ว่าพระงเห็นความสําคัญของการศึกษา ในเรื่องของจิตใจมากเหมือนกันการศึกษาที่เราจิตใจเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องควบคู่ไปกับเรื่องการศึกษาในเชิงวิทยาการซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีที่ได้ทราบจากทางท่านปธิการบดีว่าก็ได้พยายามที่จะให้ให้ความสนใจนะกับเรื่องของวิชาความรู้ทางคุณธรรมอันนี้ที่ที่ได้ฟังจากท่านคณบดีบริเวณไรว่าแม้กระทั่งระดับ ปริญญาโทแล้วก็ยังต้องสนใจเรื่องพวนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ก็ตรงอย่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพูดไว้นะก็อยากจะกล่าวอัญเชิญพระราชดำรัสของพระองค์นี้มามาพูดถึงเรื่องนี้ไว้เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เพื่อจะทำให้เกิดความรอบด้านของการการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาก็คือว่ามันไม่ใช่ยแต่เรื่องของวิทยาการความรู้ทางโลกอีกเดียวแต่ว่าต้องมีเรื่องของจิตใจด้วย ก็จะอัญเชิญมานะไล่ฝังองดํารัสว่าเนี่ยในสมัยปัจจุบับนนอกจากความรู้ในวิชาการสื่อสอนกันอยู่ยังต้องมีความรู้ในทางธรรมะคือความเป็นอยู่ในจิตใจของแต่ละคนการที่เป็นคนดีเป็นคนที่มีความรู้ในทางเหตุผล น, นี้สามารถที่จะทําให้คนอยู่ด้วยกันอย่างดีไม่ทะเลาะเบอแวงกันช่วยเหลือสมัคคีนอกจากนี้จะช่วยคนสามารถที่จะเรียนวิทยาการได้ ผู้ใดที่เรียนวิทยาการแต่ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ถ้ามีศีลธรรมอยู่ใน จ, ใจิตใจก็สามารถปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและต่อผู้อื่นฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เห็นความสำคัญของศีลธรรมไม่ใช่ว่าจะให้คนทั่วไปทุกคนสนใจศาสนาศึกษาศาสนาให้มากจนเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าธรรมธมูร์พระองคบอกไม่ใช่เช่นนั้นนะแต่ตั้งใจที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาการ สามารถที่จะใช้วิชานั้นให้เป็นประโยชน์เต่อสายธรรมะคือเรียนรู้เรื่องธรรมะเรียนรู้เรื่คุณธรรมนี้ไม่ใช่เพื่อให้เชี่ยวชาญขนาดเป็นคนธรรมะธรรมโออันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของคนจํานวนหนึ่งแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยรู้ธรรมะเพื่อที่ได้เอาความรู้ทางวิชาการเนี่ยไปใชใ้เกิดประโยชน์เพราะถ้ามีถ้ามีธรรมะเป็นเป็นเข็มทิศแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าจะเกิดประโยชน์ได้นะ คนไหนที่มีความรู้คนไหนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานก็จะช่วยให้ปฏิบัติงานสําเร็จคนไหนที่มีธรรมะแล้วจึงมีความเจริญและธรรมะจึงเป็นสิ่งสําคัญสำหรับชีวิตตรงนี้เนี่ยที่จริงไปแล้วเนี่ยในหลวงเนี่ยก็ไม่ได้ทัานก็เห็นว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนะเพราะว่าเศรษฐิจพอเพียงนี้ถ้ามันขาดพื้นฐานทางธรรมะไปแล้วเนี่ย ก, ก็ยากที่จะเจริญหรือประสบความสําเร็จได้ แล้วก็พระองค์ยังได้ยังได้พูดถึงเรื่องของการความรับผิดชอบนะต่อโลกด้วยนะอาตมาอยากี่ปิดท้ายตรงนี้ว่าถึงแม้เราจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นนะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเราก็ต้องตระหนักว่าเรามีความเราไม่ได้แม้แม้เท้าเราจะยืนอยู่บนท้องถิ่นแต่ตาเรากว้างไกลมองเห็น ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นไปในระดับโลกแล้วก็ระหนัดถึงความรับผิดชอบของเราต่อโลกด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ประคได้ได้ได้กล่าวเป็นพระตำหลักนะแต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ต้องถึงขั้นโลก นี่ก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกนะเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจรึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกให้มากขึ้นอันนี้พงเตนไน้นเลว่าเนี้ยเรื่องของความรับผิดชอบในระดับโลกเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญ นั้นเราจะมองในระดับท้องถิ่นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้และสุดท้ายนั้นก็ท่าน ก, ก็เตือนได้เหมือนกันว่าถึงแม้ว่าเราจะเราจะมองไประดับโลกเนี่ยแต่เราก็ต้องเตือนก็ต้องตระหนักว่าเราจะมีความสำคัญระดับโลกในฐานะอะไรเป็นประเทศที่ร่ารวยในระดับโลกหรือว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านั้นเขาจะจะขอจบด้วยพระธรรบัตรข้อนี้ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลกหรือผู้ฝ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนช่วยเหลือกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกข้อนี้นเขียเส้นตายนะเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกข้อนี้ถ้าเราเป็นประเทศที่มีความสงบได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าอย่างอื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบและมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้นก็จะไม่มีใครสู้เราได้ดันั้นเราอย่าหวังว่าเราจะเป็นประเทศที่รวยนะเราอย่าถามว่าทำไมเราถึงเป็นประเทศที่รวยแต่ถามว่าทำไงเราถึงเป็นประเทศที่สงบผู้คนมีความชื่อหรือเออเฟื่อเเออูนกัน อันนี้แหละคือคือจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาไม่ว่าจะในท้องถิ่นหรือในระดับประเทศนะอาตมาก็ขอยุตนะิการประกาศทาแต่เพียงเท่านี้